นักครุยแห่งแฮมลินก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองเล็กๆชื่อแฮมลินเมืองนี้อยู่ที่ริมน้ำของเยอรมนีมันเป็นเมืองที่สงบสุขและน่าอยู่แต่50ปีก่อนคนทำให้แฮมลินสกรปรกและไม่สะอาดพวกเขาเริ่มทิ้งขยะบนพื้นหน้าบ้านและทุกที่ที่ไปเทสมนตรีของเมืองก็ไม่สนใจ ผลที่ตามมาคือเมืองสกรปรกมากเต็มไปด้วยหนูคนของแฮมลินเป็นโรคที่มาจากหนูที่นั่นมีหนูอยู่ทุกที่พวกมันกัดทารกในเปลกินชีสในตู้แล้วก็เปิดที่ใส่เกลือในห้องครัวพวกมันเคยทำรังในรองเท้าและหมวกพวกมันอยู่ในห้องประชุมทำให้การสนทนาไม่เป็นไปได้ด้วยดีด้วยเสียงจิ๊ดๆของมัน ประชาชนทุกคนไปที่วังของเทศสมตรีไปขอความช่วยเหลือกับจัดหนูกับจัดหนูกับจัดหนูกัจัดหนูกับจัดหนูเทศสมตรีได้ยินเสียงเลยออกมาไม่อะไรเหรอเราอยากให้ท่านลงมปกกำจัดหนูทันทีเลย งั้นเราจะไล่พระของคุณออกไปเราจะทำการประชุมและหาทางออกให้เร็วที่สุดแต่เขาเวลาหน่อยชาว บ, บ้านเชื่อคำพูดของนายกเทศมนตรีเทศมนตรีจัดการประชุมหลังจากที่คุยกันมานานเป็นชั่วโมงพวกเขาก็หาทางออกไม่ได้อยู่ดีๆก็มีเสียงเคาะประตูเคาะหมดได้มีชายคนหนึ่งเข้าห้องมาก็ เ, าเป็นชายที่แปลกที่สุดที่คนเคยเห็น ใส่ชุดยาวๆดูแปลกส่วนหนึ่งสีแดงส่วนหนึ่งสีเหลืองเขาตัวสูงผอมเนิ้วของเขาเขยับไม่อยู่นิ่งแล้วก็เล่นคลุยนี่นิมาจากละครสัดงั้นเหรอคนเล่งหัวหืะหลายคนเดียผมว่าท่านคุยแสนแปลกผมมีเสน่ห์พิเศษ ที่สามารถเรียกสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกได้ทุกอย่างที่เลื้อยคลานว่ายน้าเดินวิ่งหรือบินผมใช้ความสามารถกับสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างตุน่นค้างคกจิ่งเหลนงูหรือว่าหนูนะผมทำได้หนูเหรอนายเรียกหนูได้ด้วยเหรอแล้วเราจะเชื่อนายได้ยังไงผมปลดปล่อยคนแอฟริกาจากฝูงแมลงฝูงใหญ่แล้วในเอเชียเนี่ยผมก็ช่วยคนจากั้งคาวดูดเลือดนะ ผมเดนทางกั่วโลกช่วยผู้คนจากสัตว์ร้ายโอ้มันขอดูความสามารถหน่อยหน่อยนะปลดปล่อยเราจากหนูพวกนี้ทีแน่นอนครับแต่ท่านจะให้เงินผม 1,000 พันกิลเดอร์ได้ไหมล่ะแน่นอนทุกอย่างที่นายต้องการว่ายังไงล่ะทุกคนเฮทุกคนเห็นด้วยกับเขางั้นก็เริ่มทำงานได้เลย ช่างคลุยก็ออกไปตามท้องถนนแล้วยิ้มเขาเอาคลุ่ของเขาออกมาช้าๆเริ่มเล่นเพลงด้วยตัวนอสามตัวยังกับเวทมนต์หนูก็ค่อยๆเดินออกมาจากบ้านมาจากรองเท้าจากหมวกทิ้งอาหารที่กำลังกินหนูเท้าหนูขาวหนูน้ำตาลทุกตัวเดินออกมาตามช่างคลุยมาทีละก้าวพวกมันเดินทางผ่านเมืองจนกระทั่งไปที่แม่น้ำ ของแฮมลินต่างถึงกับสิ่งที่เห็นอ้าปากค้างตาโตตะลึงว้าว <Wow>. oh. นักคลุยแห่งแฮมลินก็กระโดดขึ้นก้อนหินในขณะที่ยังเล่นคลุยอยู่หนูก็เผลอตกลงน้ําและจมน้ําไปพวกมันกระโดดลงน้ำอย่างไม่รู้ตัวทีละตัวไม่นานหนูก็ไม่มีที่เหลืออยู่ในเมืองแฮมลินเป็นอิสระจากหนู นักคลุยไปหาทีสมนตรีเพื่อรางวัลผมทำหน้าที่ผมแล้วได้เวลาที่คุณต้องรักษาสัญญาขอรางวัลของผมด้วยนายทำงานได้ดีมากแต่หนึ่งพันกิลด์กับงานไม่กี่ชั่วโมงมันไม่คุ้มค่านะมันเป็นเงินจำนวนมากที่ต้องจ่ายในวันเดียวคุณกำลังผิดสัญญาเหรออาชัดจะให้นายร้อยกิลดอร์แล้วกันมันมากพอสาหรับงานแค่วันเดียวนี่ไม่ถูกต้อง ผมจะทำให้เห็นว่าผมทำอะไรได้บ้างนักคลุยตัวหลงงงวอย่างไหนไม่มีทางทำอะไรเหมือนฉันได้เอาเงินไปซะแล้วก็ไปจากที่นี่นักครุยออกจากห้องไปเขาออกถนนแล้วเอาคลุยออกมาอีก <c oughs> เขาเอามันเข้าใส่ปากแล้วเล่นดนตรีแต่ครั้งนี้เสียงดนตรีมันต่างไปเด็กทีละคนเริ่มหันมาหาเดินทางไปที่นักคลุยทีละคน ยู่เริ่มเดินเด็กๆ ก, ก็ตามเขาไปพ่อแม่ของพวกเขาต่างงงงานไปกับดนตรีและขยับตัวไม่ได้คนเป่าคลุยทาให้ทุกคนชาเขาเดินข้ามสะพานไปที่ภูเขาเขาไปที่ภูเขาที่นั่นมีถ้ำลึกลับเปิดขึ้นมาเขาเข้าไปเด็กๆ ก, ก็ตามเขาไป ประตูถูกปิดแน่นคนเดียวที่อยู่ข้างนอกคือเด็กคนหนึ่งที่ไปถึงประตูก่อนมันปิดไม่ได้เมื่อดนตรีจบลงผู้คนก็วิ่งไปที่ภูเขาพวกเขาถามเด็กคนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ภูเขาพวกเขาเข้าถ้ำไปถ้ามันปิดก่อนที่ผมจะเดินตามเข้าไปได้แต่ปุ๊บเธอตามเข้ามาทำไมละ่ะเพราะว่าดนตรีที่เขาเล่นมันบอกเราว่าจะพาเราไปที่แดนวิเศษ จะมีแต่ช็อกโกแลตคุกกี้แล้วก็เค้กเขาบอกว่าผมสามารถวิ่งด้วยเท้าอย่างปกติได้แต่ดนตรีมันจบลงผมเลยมาหลงทางอยู่ตรงนี้ประชาชนเศร้าที่เริ่มร้องเพื่อเด็กๆของพวกเขาแต่ไม่มีประโยชน์โอ้ลูกพ่อกลับมานะลูกพ่อกลับมา พวกเขาเรียกเทสมรีและโทษเขาในทุกเรื่องฉันเองก็เสียลูกตัวเองไปเหมือนกันฉันขอโทษกับทุกอย่างที่ทำฉันจะเอาเงิน 1,000 กิวเดิร์มาให้ขอเด็กๆพวกเรากลับมานะไม่ว่าอยู่ไหนขอให้กลับมาเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ช่างคุยเดินออกมาจากหลังเขาทุกคนโล่งใจหลังจากเห็นเขาโอ้เราดีใจมากที่นายกลับมาแล้วไหนลูกๆของเรา พวกเขามีความสุขดีพวกเขาจะกลับมาเมื่อคุณทำตามสัญญาแทสมนตรีให้เงิน 1,000 พกิลดอร์กับเขาและอยู่ดีๆทําก็เปิดอา่าเด็กๆวิ่งออกมากอดพ่อแม่ของพวกเขาแม่ฮะโอ้ฮะแมคะแม่ฮะโอฮะแม่คะแะโอ้ฮะคะท่านกลุยฉันขอขอบคุณแท่ทั้งเมืองขอบคุณนะที่ช่วยเราจากหนูและก็คืนลุกๆให้เราด้วย ท่านจะไม่ผิดสัญญาอีกต่อไปทุกคนจะเสียลูกไปและหนูจะกลับมาอีกอะไรน ะ, ะรนะทำไ ม, ำไมล่ ะ, ละมเมืองของคุณสกรปรกมากอะ่ะมันดึงดูดสัตว์อย่างหนูแล ะ, มะแมลงมันก่อให้เกิดโรคติดต่อในเมืองและอีกไม่นานเด็กๆก็จะป่วยและตายจากไป โ oh, อ้ฉนเทศมนตรีของเมืองนี้ขอรับหน้าที่จะไม่ให้เมืองนี้สกปรกอีกใช่เราจะทิ้งขยะลงถังเท่านั้นและทำทุกอย่างมาให้เมืองของเรามีหนูและโรคภยนะัยด้วยนะเราต้องช่วยกันใช่ใช่แล้วใช่เขาพูดถูกใช่เลยใช่โอเคงั้นก็ได้เวลาที่ผมจะบอกลาแล้วนักลุยก็ออกจากเมืองไปและแฮมลินกลายเป็นเมืองสะอาดอีกครั้งเหมือนเมื่อ50ปีก่อน